ไม่สหรคตด้วยปีติไม่สะหระคดด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบกขาไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเปื้องบนสามไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานไม่เป็นของเสคบุคคลและอเสคบุคคล เป็นปริตะเป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรไม่เป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัตถุกไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัตถุกเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุกเป็นธรรมที่เกิดขึ้นอันวิญญาณหกรู้ได้เป็นธรรมชาติไม่เทียงถูกชราครอบงํารวมรูปหมวดและหนึ่งอย่างนี้ เอกกนิเทศจบทุกกนิเทศปกินณกะทุกกะอุปาทาภาชนีห้ารูปที่เป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉไหนจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัตทายตนะคันทายตนะรัศายตนะอิทถินรีย ปุริสินสีชีวิตินสีกายวิญญัติวจีวิญญัติอากาศศรัทธาลหุตารูปมุตุตารูปกรรมยตารูปอุป จ, จียรูปสันตติรูปชรตารูปอนิจจตารูปและกัวลิงการาหารจักขายาตนะห้ารูปที่เป็นจักขายาตนะนั้นเป็นชนะ จักษุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สัตว์นี้เคยเห็นกำลังเห็นจักเห็นหรือพึงเห็นรูปที่เห็นได้กระทบได้ด้วยจักษุใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าจักขู่บ้างจักขายตนะบ้างจักขูาธาตุบ้างจักขุนซีบ้าง โรคบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันดระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างเนตรบ้างไยนาบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายตนะ597รรูปที่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นฉไนจักสุใดเป็นภาษาทารูป อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้รูปที่เห็นได้และกระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่จกักษุใดซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าจักขู่บ้างจักขายตนะบ้างจักขุ่ธาตุบ้างจักขุนสีบ้างโลกบ้าง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 จักสุใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้จักสุใดเห็นไม่ได้เคยกระทบกระทบแล้วกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่รูปซึ่งเห็นได้และกระทบได้นี้ชื่อว่าจักขุบ้างจักขายตนะบ้างจักขุาธาตุบ้างจักขุนสีบ้าง โลกบ้างทวารบ้างสมุทรบ้างปันดระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างเนตรบ้างนายนาบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายาตนะ599รูปที่เป็นจักขายาตนะนั้นเป็นฉไนจักรสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพ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 จักขุสัมผัสมีรูปเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจักเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยจักสุดใดเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสสัญญาเจตนาจักขุวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจักเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าจักขูบ้างจักขายตนะบ้างจักขู่ธาตุบ้างจักขุนสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทรบ้าง ปันดระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างเนตรบ้างนัยนาบ้างฝังนี้บ้างบ้านวางบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายาตณนะโสตายตนะห0ร้อรูปที่เป็นโสตายตนะเป็นไนโสตะใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ สัตว์นี้เคยฟังกําลังฟังจักฟังหรือพึงฟังเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโสตะบัางโสตายตนะบัางโสตะธาตบัางโสตินสีบัางโลกบัางทวารบัางสมุดบ้างปันดระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบานวางบัางรูปนี้ ชื่อว่าเป็นโสตายตนะห0ร้อเอ็ดรูปที่เป็นโสตายตนะนั้นเป็นฉไนโสตใดเป็นปัสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่โสตใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้ชื่อว่าโสตะบางโสตายตนะบางโสตธาตุบางโสตินรียบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันทระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโสตายตนะหกร้สองรูปที่เป็นโสตายตนะนั้นเป็นฉนัยโสตะใดเป็นภาษาทรูป อาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โสตะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโสตะบ้างโสตายตนะบ้างโสตะธาตุบ้างโศตินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุบบ้างปรรฑระบ้าง เขตบ้างวัตถุบ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโสตายตนะหกร้สรูปที่เป็นโสตายตนะนั้นเป็นฉไนะโสตใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เพราะอาศัยโสตใดโสดสัมผัสปราปรถเสียงเป็นอารมณ์เคยเกิดกาลังเกิดจกเกิด หรือพึงเกิดเพราะอาศัยโสตะใดเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสสัญญาเจตนาโสตวิญญาณปรารภเสียงเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจักเกิดหรือพึงเกิดอาศัยโสตะใดโสตสัมผัสมีเสียงเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจักเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยโสตใดเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส สัญญาเจตนาโสตวิญญาณมีเสียงเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าโสตะบ้างโสตายัตนะบ้างโสตธาตุบ้างโสตินทรีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุตบ้างปันดระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านวางบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโสตายัตนะคานายตนะ6 0รส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 คานายตนะบ้างคานาธาต์บ้างคานินรีบ้างโลกบ้างทวาลรบ้างสมุทรบ้างปันทระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคานายตนะห0รรูปที่เป็นคานายตนะนั้นเป็นไนคานะใดเป็นภาษาธารูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ กลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกาลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่คณะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคณะบ้างคานายตนะบ้างคานธาตุบ้างคานินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทรบ้างปันฑระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคานายตนะ6 รูปที่เป็นคานายตนะเป็น hmm. ชไหนคานะใดเป็นปัสาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้คานะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคานะบ้างคานายตนะบ้างคานธาตุบ้างคานินทรียบ้างโลกบ้างทวารบ้าง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 ชิวหาธาตุบ้างชิวหินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทรบ้างปันระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นชิวหายัตนะหกร้อยก้ารูปที่เป็นชิวหายัตนานั้นเป็นไนชิวหาใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ รถที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้คือกระทบกำลังกระทบจากกระทบหรือพึงกระทบที่ชิวหาใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าชิวหาบ้างชิวหายัตนะบ้างชิวหาธาตุบ้างชิวหินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุตบ้างปัระระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านวางบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นชิวหายตนะห้สิบ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 ชิวหายัตนาบ้างชิวหาธาตุบ้างชิวหินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันดระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านวางบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นชิวหายัตนะ611รูปที่เป็นชิวหายัตนะนั้นเป็นไนชิวหาใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพ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 โพธพะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ากายบ้างกายายัตนะบ้างกายธาตุบ้างกายินรีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายยตนะปกรรูปที่เป็นกายายัตนะนั้นเป็นไน กายใดเป็นภาษาธารูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โภภพธิภพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่กายใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ากายบ้างกายายตนะบ้าง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 เคยเกิดกำลังเกิดจากเกิดหรือพึองเกิดเพราะอาศัยกายใดก er ายสัมผัสมีโพธะเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจากเกิดหรือพึองเกิดเพราะอาศัยกายใดเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนาก er ายวิญญาณมีโพธะเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจะกเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่ากายบ้างกายยัตตนะบ้าง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 สีแดงสีขาวสีดำสีหงสบาดสีคั้มสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดเมฆหมอกควันละอองแสงจันทร์แสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมณีแสงสังแสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพฑูรย์แสงทองแสงเงิน หรือรูปแม้อื่นใดที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูต ร, รูปสีที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่สัตว์นี้เคยเห็นกําลังเห็นจักเห็นหรือพึงเห็นรูปใดที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักษุที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารูปบ้างรูปปายตนะบ้างรูปประทัดบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปปายตนะ หกรเจรูปที uh. um, ่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นฉไนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูเตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้ได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดําสีหงสบาทสีคล้าสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดเมฆ หมอกควันละอองแสงจันร์แสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมณีแสงทังแสงแก้วมุกดาแสงแก้วไปทูนแสงทองแสงเงินหรือรูปแม้อื่นใดที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสีเป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่จักสุที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกาลังกระทบจักกระทบ หรือพึงกระทบที่รูปใดถึงเห็นได้และกระทบได้นี้ชื่อว่ารูปบ้างรูปายตนะบ้างรูปประธาต์บางรูปนี้ชื่อว่าเป็นบรูปายตนะ6กรรูปที่เป็นบรูปายตนะนั้นเป็นฉไนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูทธรูปสี่เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้ ได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำสีหงส์สบัดสีคล้ำสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดเมฆหมอกควันละอองแสงจัน์แสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมันีแสงสังแสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพลทูลแสงทองแสงเงิน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 6 1รรูปที่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นฉไนรูปใดที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้ได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำสีหงสบาดสีค้ัสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงา แดดแสงสว่างมืดเมฆหมอกควันละอองแสงจันแสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมันีแสงสังแสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพทูลแสงทองแสงเงินหรือรูปแม้อื่นใดที่เป็นสีต่างๆซึ่งอาศัยมหาภูตรูปสีเป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่ พระปรารภรูปใดจักขุสัมผัสอาศัยจักสุเคยเกิดกำลังเกิดจักเกิดหรือพึงเกิดพระปรารภรูปใดเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาเจตนาจักขุวิญญาณอาศัยจักสุเคยเกิดกำลังเกิดจักเกิดหรือพึงเกิดจักขุสัมผัสมีรูปใดเป็นอารมณ์อาศัยจักสุเคยเกิดกำลังเกิดจักเกิดหรือพึงเกิด เวทนาที่เกิดแต่จกักขุสัมผัสสัญญาเจตนาจากักขุวิญญาณมีรูปใดเป็นอารมณ์อาศัยจากสุเคยเกิดกำลังเกิดจากเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่ารูปบ้างรูปายตนะบางรูปธปาตุบางรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปายตนะศัตธายตนะหรยสรูปที่เป็นสัตธายตนะนั้นเป็นไนะ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 หรือเสียงแม้อื่นใดอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่สัตว์นี้เคยฟังกำลังฟังจักฟังหรือฟังเสียงใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าสัทธะบ้างสัทธายตนะบ้างสัททธ า, ธาบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นสัทธายตนะ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 รูปที่เป็นสัทธายตนะนั้นเป็นฉนัยเสียงใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่เสียงกรองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดอเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกรับเสียงปรบมือเสียงร้องของสัตว์เสียงกระทบกันของธาตุเสียงลมเสียงน้ําเสียงมนุษย์เสียงอมนุษย์หรือเสียงแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่ เสียงใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้คือกระทบกําลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่โสตประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าสัทธะบางศัทธายตนะบางศัทธธาตุบางรูปนี้ชื่อว่าเป็นสัทธายตนะหกรรูปที่เป็นศัทธายตนะนั้นเป็นฉไหน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 โ, โสดสัมผัสอาศัยโสดประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเพราะปลารบเสียงใดเวทนาที่เกิดแต่โสดสัมผัสสัญญาเจตนาโสดปิญญาณอาศัยโสดประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดโสดสัมผัสมีเสียงใดเป็นอารมณ์อาศัยโสดประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่โสดสัมผัส สัญญาเจตนาโสตวิญญาณมีเสียงใดเป็นอารมณ์อาศัยโสตรปสตระสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึองเกิดนี้ชื่อว่าสัทธะบ้างสัท ธ, ธายตนะบ้างสัท ธ, ธ า, า ธ, ธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นสัท ธ, ธายตนะคันธายตนะหกรรูปที่เป็นคันธายตนะนั้นเป็นชไนะ กลิ่นใดอาศัยมหาพูตรูปสี่เป็นกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่กลิ่นรากไม้กลิ่นกันไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นบูดกลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแม้อื่นใดซึ่งอาศัยมหาพูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่สัตว์นี้เคยดมกำลังดมจักดม หรือพึงดมกลิ่นใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยคานาปสาดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคันทะบ้างคันทายตระณบ้างคัน ท, ทาธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคันทายตะนะณะหรยหรูปที่เป็นคันทายตะนะนั้นเป็นไนกลิ่นใดาอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่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 นี้ชื่อว่าคันทะบ้างคันทายตระณะบ้างคันทาธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคันทายตระณะหร้ยรูปที่เป็นคันทายตนะะนั้นเป็นฉไนกลิ่นใดอาศัยมหาปูตรูปสี่เป็นกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่กลิ่นรากไม้กลิ่นแกนไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นบูดกลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นแม้อื่นใดซึ่งอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่กลิ่นใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่คานาสสา์ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคันทะบ้างคันทายตนะบ้างคันท่าธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคันทายตนะ 627รูปที่เป็นคันธายตนะนั้นเป็นฉนกลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่กลิ่นลากไม้กลิ่นกันไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นบูดกลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่ เพราะปรารบกลิน่นใดคานสัมผัสอาศัยคานประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดปรารบกลิ่นใดเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสสัญญาเจตนาคานวิญญาณอาศัยคานประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดคานสัมผัสมีกลิ่นใดเป็นอารมณ์อาศัยคานประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิด แต่คานสัมผัสสัญญาเจตนาคานวิญญาณมีกลิ่นใดเป็นอารมณ์อาศัยคานประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าคันทะบัางคันทายตนะบัางคันท่าธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคันทายตนะรัายตนะรยยีรูปที่เป็นรัายตนะนั้นเป็นไฉหนะ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 สัตว์นี้เคยลิ้มกำลังลิ้มจักลิ้มหรือพึงลิ้มรสใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยชิวหาประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารสบ้างรสสายตนะบ้างรสธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่ารสสายตนะหรยสิรูปที่เป็นรสสายตนะนั้นเป็นฉไน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 คิวหาประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่รถใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารถบ้างรัายตนะบ้างรถธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรัายตนะหกรสรูปที่เป็นรัายตนะนั้นเป็นชไหน รถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรถที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เด็กแก่รถปรากไม้รถลำต้นรถเปลือกไม้รถใบไม้รถดอกไม้รถผลไม้รถเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มขืนเฟื่อนฝาดอร่อยไม่อร่อยหรือรถแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่ รถใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้คือกระทบกําลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่ทิวหาปัาสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารถบ้างระสายตนะบ้างรถธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรัายตนะ631อรูปที่เป็นรัายตนะนั้นเป็นไน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 เคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเพราะปรารภรถใดเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาเจตนาชิวหาวิญญาณอาศัยชิวหาประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดชิวหาสัมผัสมีรถใดเป็นอารมณ์อาศัยชิวหาประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาเจตนาชิวหาวิญญาณ มีรถใดเป็นอารมณ์อาศัยจิวหาปัะสาวเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่ารถบ้างรัายตนะบ้างรถธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรัายตนะอิตธินีรยสามสรูปที่เป็นอิตถินีนั้นเป็นชนะไหน สวดทรงหญิงเครื่องหมายประจําเพศหญิงกิริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีรูปนี้ชื่อว่าเป็นอิทธินสีปุริสินสีห3รูปที่เป็นปุริสินสีนั้นเป็นฉไหนะสวดทรงชายเครื่องหมายประจําเพศชายกิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษ รูปนี้ชื่อว่าเป็นปุริสินสีชีวิ ต, ตินสีห3รยรูปที่เป็นชีวิ ต, ตินสีนั้นเป็นไฉนาอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิติตตนตรีแห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิ ต, ตินสีกายวิ ญ, ญัต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 อากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่าธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูต ร, รูปสี่ถูกต้องไม่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นอากาศศรัทธาละหุตารูปหกรรูปที่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นชไหนะความเบาความรวดเร็ว ความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นลหุตารูปมุทุตารูปหกร้อสสิบรูปที่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไฉไนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นมุทุตารูปกัมมัญยตารูปหกร้อยสี่สิบรูปที่เป็นกัมมัญยตารูปนั้นเป็นไฉไร ความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นกรรมมัญตารูปอุปัจจยรูป641รูปที่เป็นอุปัจจยรูปนั้นเป็นชะไหนความแรกเกิดแห่งอายตนะนั้นเป็นความเกิดแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปัจจยรูปสันติรูป642 รูปที่เป็นสัน ต, ติรูปนั้นเป็นไนะความเจริญแห่งรูปนั้นเป็นความสืบต่อแห่งรูปรูปนี้ชื่ว่าเป็นสัน ต, ติรูปชรตารูปหกรรูปที่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไนะความชราความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมอายุความง่อมแห่งอินทรีย์แห่งรูป รูปนี้ชื่อว่าเป็นชรตารูปอนิจจตารูป644รูปที่เป็นอนิจจารูปนั้นเป็นชไหนะความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทำลายความไม่เที่ยงความอันตรทานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจตารูปกะวลิงการาหาัน ร, รูป 6 4รรูปที่เป็นกวลิงการาหานั้นเป็นฉไหนข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดนมสม้มเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานนั้นนั้นดำรงชีพอยู่ได้ รูปนี้ชื่อว่าเป็นกวลิงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปอุปาทาภาชนีจบปฐมวานในรูปกันจบ